ฉะนั้นแต่ทานุวัติกะมโนทวารวิถีหรืออนุพันธกะมโนทวารวิถีนั้นเน่เพราะมโนทวารวิถีเหล่านี้เกิดต่อจากทางปัญจทวารวิถีเกิดต่อจากจักขุทวารวิถีโสตทวารวิถีคานทวารวิถีชิวหาทวารวิถีหรือกายะทวารวิถีทีนี้ในวิถีเหล่านี้ที่เราดูกันแล้วเนี่ยนะอย่างยกตัวอย่างเช่นอตีตัก ค่าหน้าวิถีเนี่ยหกประเภทเนี่ยเห็นไหมอตีตักค่าหน้าวิถีหประเภทในอตีตักค่าหน้าวิถีทั้งหกประเภทหกประเภทนี่เขานับยังไงที่จริงอาจดูเอออตีตักค่าหน้าวิถีห้าประเภทในที่นี้ก็เขียนห้าประเภทก่อนนะแต่อย่างละห้าประเภทก่อนในย้อนมาดูหน่อยกามะ ต, ตัดกามะตัดะเออภาพนะ ภาพแต่ธาตุนวติกามโนทวารวิถีสิบหประเภทที่เกิดขึ้นต่อจากจักขุทวาริกะอติมหันตารมวิถีแตธาลนวาวลหรือมหันตารมวิถีชาวนวาวลเกิดต่อจากทางจักขุทวาริกะอติมหันตารมกับจักขุทวาริกะมหันตารมท่านเลยจัดได้สิบหกใช่ไหมได้สิบหคือในจุดของอย่างในวิถีประเภทแรกเนี่ยที่บอกว่าเป็น กา마ชาวนายิบเจ็ดเว้นโทสาสองใช่ไหมอตีตากนาวิถีประเภทที่หนึ่งเนี่ยตถาลำนาจิตสิบเอ็ดอย่างนี้นะในวิถีประเภทแรกเนี่ยถามว่าถามว่าในในประเภทแรกถ้าถามว่าเกิดขึ้นกับบุคคลได้เท่าไหร่ประเภทที่หนึ่งเนี่ยอตีตากนาวิถีเนี่ย mm. ก็ต้องดูนะว่าในกามพระวังสิบเนี่ยนะ กามะพวังสิบนั้นบ่งบอกถึงว่าเกิดได้ในกามภูมิ11ใช่ไหมนี่นะกามภูมิ11ถ้าว่าโดยบุคคลล่ะกามชาวนะ27เว้นโทวศาสสองคือบุคคล8ปดใช่ไหมปุตตชน4อริยะผลบุคคล4อริยะบุคคลเลยนะมีพระรหันด้วยนะเนี่ยถ้าว่าโดยภูมิก็คือกามะสุขไม่ใช่กามะภูมิ11อบายภูมิ4กามะสุขติภูมิ7 ทว่าโดยองค์ธรรมปรมัตต์ล่ะพวังก็คือกามพวังสิบใช่ไหมหน้าและหลังเ่ยแล้วก็มโนทวารลวัชนะหนึ่งกามชานะ27เ็เว้นโทสาสองตทารรมนะได้สิบเอสบอนั้นเป็นไปตามรูปารม์ถ้ารูปารมณ์สามชนิดนี่ในในรูปารมณ์สามชนิดที่เกิดขึ้นในจกักรคุทวาริกาอาติมหันตรมวิถีหรือมหันตรมวิถีอ่ะก็จะตถารรมนะที่เกิดในอตีตักขันวิถีที่รับบดีรูปารมณ์นี้ก็ได้เท่าไหร่ ก็ได้สิบเอ็ดนี่คือประเภทแรกทีนี้ถ้าว่าโดยผวังแรกผวังหลังคขารับอะไรเป็นอารมณ์รับกรร ม, มอารมณ์กรร ม, มนิมิตอารมณ์หรือคตินิมิตอารมณ์ที่รับมาจากพบก่อนเมื่อใกล้จะตายเป็นอารมณ์วิถีทั้งหมดเน่ยวิถีจิตทั้งหมดที่อยู่ในวิถีเนี่ยมีอะไรมีอติอิทธรูปอารมณ์มีรูปารมณ์ที่เป็นอติอิทธารูปอารมณ์ที่เป็นอิทธามชตาหรือรูปารมณ์ที่เป็น อนิทะรูปารมณ์ที่เป็นอดีต ท, ที่เป็นอดีตนะคือรูปารมณ์ที่ที่เลิศที่ดีธรรมดาหรือที่ไม่ดีที่เคยปรากฏมาแล้วเป็นอารมณ์แต่หัวงั้นใช่ไหมต้องเป็นไปลักษณะอย่างนี้นี่ย้อนตัวแยกออกไหมเนี่ยในวิธีเนี้ยทีนี้ทวาโดยวัตถุหรอผวังแรกและภวังหลังวิธีจิต ท, ทั้งหมดอาศัยอะไรเกิดอาศัยหัตถยะวัตถุเกิดนี่ไป น, นี้อดูประเภทที่สอง ดูวิถีประเภทที่สองประเภทที่2ว่าโดยบุคคลได้บุคคลเท่าไหร่โทสนะัจโฉนาได้บุคคลหกปุถุชนสีอริยผลบุคคลเบื้องต่ําเบื้องต่ําเท่าไหร่เบื้องต่ํา2เว้นเว้นพระนาคาและพระอาหารหันต์นี่ประเภทที่สองนี่นะในหน้าสี่สิเนี่ยพระนาคาพระอรหันต์ทํำไมเกิดไม่ได้เพราะโทสาจโฉนะเนี่ยนี่ลักษณะเช่นเนี้ย ทว่าโดย ว, วิถีเราก็รู้อยู่แล้วว่าเป็นอตีตักขันทวิถีประเภทที่สองดูประเภทเขาใหออกด้วยเหรทีนี้ทว่าโดยภูมิแหละตัวศาสตร์ชาวนาะควรจะได้ภูมิไหนากามาวังสิบก็ ก, การมาภูมิสิบเอ็ดอยู่แล้วตัวศาสต์ชาวนาก็อยู่ในการมาภูมิก็เหมาะสมกันดีเชื่อไหมใจว่าโดยองค์ธรรมปรามาสผวังแรกผวังหลังคือการมาผวังสิบแล้วแต่บุคคลนะวิถีจิตได้แก่มโนท ว, วารรชนาฏ จิตหนึ่งโทสะชวาวนาแล้วก็อุเบกขาตัฏานะรมนะห 6. 6นั่นคืออุเบกขาสันติรณจิต2มหาวิบากอุเบกขา4แสดงว่าวิถีจิตนี้รับอารมณ์ได้กี่อารมณ์เนี่ยอารมณ์ได้เท่าไหร่ได้2คืออารมณ์ที่เป็นอิทธะมัชตะก็ต้องบอกรูปารมณ์ที่เป็นอิทธะมัชตะและรูปารมณ์ที่เป็นอนิธะใช่ั้ม ว่าโดยอารมณ์ผวังแรกผวังหลังก็มีอารมณ์เดียวกันกันกบอตีตคณะวิถีในเพศที่หนึ่งั่นแหละมีอารมณ์หนึ่งอารมณ์ใดมันด า, ดาอารมณ์หที่ตัวที่เรียกว่ากรรมกรรมนิมีคตินิมิ ต, ม ต, มตที่รับมาจากพบก่อนเมื่อใกล้จะตายเป็นอารมณ์ส่วนวิถีจิตทั้งหมดที่อยู่ในวิถีนี้มีอตอิวิถีนี้มีอะไรเป็นอารมณ์เนี่ยอิธามชตะเรือนนิธาที่เป็นอดีตหรือรูปอารมณ์ที่ดีธรรมดาหรือไม่ดีที่เคยปรากฏแล้วเป็นอารมณ์หนึ่ง เอี้ี่เป็นวิถีอะไรเนี่ยเป็นอติวิภูตารมวิถีหรือวิภูตารมวิถีอติวิภูตารมวิถีเป็นอติวิภูตารลมนะวิถีอืแยกให้ออกนะเอาว่าโดยว่าโดยวัตถุก็อาศัยอัตยวัตถุเกิดนะเอาต่อไปวิถีประเภทที่สามประเภทที่สามว่าโดยบุคคลได้บุคคลเท่าไหร่การมาเชลยนะายีบเจ็ดเว้นโทสะรูปผวังห้าการมาวัง นะฮเกิดได้ในบุกคลเท่าไรเนี่ยประเภทที่สามเนี่ยในนี้เป็นวิถีรวมนะเนี่ยเป็นวิถีรวมไม่ได้แยกออกถ้าแยกออกเป็นหกประเภทได้เลยนะนี่ก็ไม่แยกออกถ้าที่นะจริงๆต้องแยกกนะันเนียแต่ในนี้ไม่แยกไม่แยกเลยรวมกองกันไว้นี่ยนะการ ม, มาผวังสิบกับรูปผวังห้าจริงๆควรแยกไหมไม่แยกก็รวมก็รวมพอรวมแล้วมันจะได้ภูมิขึ้นเยอะเลยทเนะได้ เกิดในรูปประภูมิสิบห้าด้วยในกามภูมิอีกสิบเอ็ดด้วยเวนัสัญญาทวาโดยบุคคลก็ได้บุคคลเท่าไหร่เนี่ยเป็นบุคคลแปดเลยถ้าหากเป็นรูปพวังห้าจะเหลือบุคคลห้าที้เปอร์อิญไม่ใช่อย่างนี้ว่าโดยอารมณ์หรือว่าโดยองค์ธรรมปรมัตย์ก็รูปพวังห้าแล้วก็กามาพวังสิบมโนทวารวชนะจิตหนึ่งกามชาวนะยี่สิบเจ็ดเว้นทัวศาสสองก็ลงด้วยรูปพระวังห้ากามาพวังอีก ทีนี้ว่าโดยอารมณ์นี่ต้องแยกกันแล้วนะผวังหน้าและผวังหลังแยกเนะถ้าผวังหน้าและผวังหลังที่เป็นกรมมาผวังสิบก็รับอารมณ์อย่างที่ว่ามาเนี่นแหละอารมณ์หนึ่งอารมณ์ใดในบรรดารมณหกที่รับมาแล้วจากพบก่อนใช่ไหมแต่ถ้าเป็นรูปผวังห้ารับอะไรเป็นอารมณ์รับอะไรยังสุรีรูปผวังห้าจะรับอะไรเป็นอารมณ์มั้วผวังหน้าและหลังมีบัญญัติธรรมมารมณ์ที่เป็นกรรมนิมิตอันเนื่องด้วยกรรมฐานเท่าไหร่ยี่สิบหกอย่าง สินสิอสุภาษิบโกฏถาบัญญัติอาณาปณ ะ, ะบัญญัติหนึ่งสัตว์บัญญัติอีกสที่รับมาจากภพก่อนเมื่อใกล้จะตายนั่นแหละเป็นอารมณ์วิถีจิตในวิถีนี้ที่เกิดต่อจากจักขุทวาริกาที่มัณฑรมวิถีเนี่ยมีอารมณ์ที่เป็นอติวิภูตารมณ์ที่เป็นอติท่อิทธ า, ามชตะเรื่นนิทะรูปอารมณ์ที่เป็นอดีตคือรูปอารมณ์ที่ดีเลิศดีธรรมดาหรือไม่ดีที่เคยปรากฏมาแล้ว แต่ถ้าเกิดต่อจากจากขูทวาริกะมันตารมวิถีก็มีอารมณ์ที่เป็นวิภูตารมเนอะถ้าเกิดต่อจากอติมจากขู่ทวาริกะอติมันตารมวิถีอารมณ์นั้นเป็นอารมณ์นั้นเป็นอะไรมีอารมณ์ที่เป็น <c oughs> ยมไม่เข้าใจถ้าหากวิถีจิตนี้เกิดต่อจากจากขูทวาริกะอติมันตารมวิถีอารมณ์ต้องเป็นอะไรต้องเป็นประเภทอะไร ประเภทอติวิภูตารมใช่ต้องเป็นประเภทอติวิภูตารมถ้าหากเกิดต่อจากมหันตารมวิถีอารมณ์นั้นต้องเป็นประเภทวิภูตารลมมาเข้าใจใช่ไหมนี่เข้าใจอารมณ์เน่ะเป็นอ ต, วติวิภูตารมวิถีเป็นอติวิภูตารมวิถีแต่อติวิภูตารมนั้นมาแยกเป็นสองอย่าง ยากเป็นอ่ะสามอย่างเป็นอติอิทธารูปารม์อติอิทธามชัตตารมหรือไม่ใช่อิธามชัตตารูปารมแล้วก็ น, นิธารูปารมนี่เป็นงี้เตรยมตัวให้ตามทันไหมเนี่ยทันไม่ทันทนไหมยังมองมองอยู่ใช่ไหมก็วิถีนี้เป็นวิถีอะไรอ่ะถ้าเกิดต่อจากจากกูทวาริกาอติผลิตรมวิถีเป็นวิถีอะไรเป็นอติวิภูตารมวิถีถ้ารูปารม์ที่มาปรากฏนั้นน่ะรูปารม์สามประเภทนี่นะที่ดียิ่งดีปานกลางหรือไม่ดีเนี่ย รูปารมณ์ประเภทนั้นเรียกว่ารูปารมณ์อะไรก็ต้องเรียกว่าอติวิภูตารมอติวิภูตารมเนี่ยคือรูปารมณ์นั้นชื่อทำไมจึงเรียกอย่างนั้นเพราะเป็นรูปารม์ที่แรงและรูปารมณ์นั้นชัดรูปารม์นั้นชัดมากนะใช่ไหมอารมณ์ที่ปรากฏทางใจชัดมากที่สุดเนี่ยเป็นอติวิภูตารมรูปารมณ์นั้นมาปรากฏทางใจเนี่ยชัดมากที่สุดเลยกลายเป็นอติวิภูตารม แต่ถ้ารูปอารมณ์นั้นมาปรากฏทางใจชัดชัดมากแต่ไม่ที่สุดนอือันนี้เป็นวิภูตารมณ์แต่ในจํานวนอติวิภูตารมหรือวิภูตารม์นั้นแยกเป็นกี่ชนิดกี่สภาวะสามสภาวะอติอิทธาอิทามชตะและก็อนิถะนี่แยกอย่างนี้แม้จะทําความเข้าใจอะไรแต่และอย่างก็กินยากกันนืนทีนี้ถ้าเกิดต่อจากมหานตารมณ์วิถีก็อารมณ์ก็เป็นวิภูตารม์ไป เอาต่อไปประเภทที่4ประเภทที่4ถ้ท่าในประเภทที่4เนี่ยว่าได้บุคคลได้อยู่คนเท่าไหร่เนี่ยโทสะเช่นะเนี่ยดูบุคคลดูที่โทสะเออดูที่เช่นะได้บุคคลหปุตุชน4ทุคติเหตุกบุคคลสุคติเหตุกบุคคลทวีเหตุกบุคคลติเหตุการบุตชนเนี่ยแล้วก็โสดาบันบุคคลสกะทาคามีบุคคลได้อริยผลเบื้องต่ำสองรวมเป็น6ว่าได้ภูมิก็นั่นไง การมอุเบกขาผวังหกอะไรเนี่ยกามอุเบกขาผวังหกอุเบกขาสันติสอกับมหายบากรุเบกขา4ถ้าดูภูมิก็คือได้เท่าไหร่เนี่ยกามาภูมิ11อ็ใช่ไหมกามาภูมิ11บเลังแยกให้ละเอียดทีได้การภูมิสิเอ็ดในแยกยังไงอุเบกขาสันติระณะอกุศลวิบาก1ปฏิสันติในไบยภูมิ4ในสี่ภูมิไปแล้วอุเบกขาสันติรณะกุศลหนึ่งกุศลวิบากหนึ่ง ปฏิสนที่ในมนุษย์หรือเทวดาที่บาใบาบอดหวกกินส่วนมหาวิบากอุเบขาสปฏิสนที่ในกามสุกติภูมิ7รวมแล้วเป็นกามาภูมิ11แยกออกไหมนี่คือตัวตัวตัวผวางของเขาก็พุนเปียนอยู่ในกามาภูมิ11นี่แล้วไม่ได้ไปไหนนี่เป็นไงองค์ธรรมปรมัตผวังแรกผวังหลังกามอุเบขาผวังหกว่าไปแล้ววิถีจิตก็คือมโนหนึ่งแล้วก็โทสะโชนะอีกสอเป็นส อารมณ์ล่ะต้องแลกวางหลังไม่มีอะไรวิถีจิตทั้งหมดเกิดขึ้นต่อจากจากขูทวาริกาอติมันตะวิถีก็มีอารมณ์ที่เป็นอติภูตารธรมวิถีที่เป็นอติถารูปารมณ์ที่เป็นอดีตหรือรูปารมณ์ที่ดีเลิศที่เคยปรากฏมาแล้วในวิถีประเภทที่สีน่นี่อารมณ์ดีนะอารมณ์ดีมากอารมณ์ดีอย่างยิ่งอารมณ์ดีแต่โทสะเกิดดีไม่ยอมดุย ด, ดีไมด่ดีอารมณ์นี่ดีใช่ไหมแต่โทสะเกิดนี่ดีไหมดีไม่ดี ไม่ดียกตัวอย่างที่เนี้ยเอา้าพระกาลังสวดมนต์เออไม่ใช่เหมือนเห็นผ้าเดินมาเนี่ยอารมณ์ดีเนียแต่ไม่พอใจนี่ในกลุ่มพวกนี้แต่บุคคลนั้นปฏิสนธิด้วยเบกขาแต่ไม่พอใจเรามีโอกาสเกิดได้ไหมต้องดูว่าเราปฏิสนธิด้วยอุเบกขาไหมถึงไม่ไม่อุเบกขาก็ได้งี้ย น, นีย้แต่ว่าเรามีโอกาสโกรธแต่โกรธเนี้ยอารมณ์ที่ดี นี่คือประเภทที่4ี่ต่อไปประเภทที่5ประเภทที่5นี่มีอาคารตุกะผวังนะประเภทที่หมีอาคารุกะผวังตตกรนาวิถีว่าโดยบุคคลได้บุคคลเท่าไหร่เนี่ยคือได้บุคคลเท่าไหร่เนี่ยไม่ใช่มั้งเนี่ยเออได้บุคคล4นะทวีเหตุกบุคคลติเหตุกปุถุชนโซดาบานันแล้วก็สกาทาคาอริยบุญต้งตาสองเว้น ผ้านาคากับผ้าหลหันไม่ได้เพราะโทสะชนนะส่วนทุคติสุขติไม่ได้เพราะในที่นี้เป็นการมัสมสมวังศรีใช่ไหมจึงไม่ได้ตรงนั้น ก, ก็แยกกันออกไปต่อมาสมูหะข้าณาวิถีอีกหประเภทเหมือนกันไหมสมูหะขาณาวิถีประเภทที่1เหมือนกาตีตาคขาณาวิถีประเภทที่1นึ่งเหมือนนะประเภทที่2เหมือนกาตีตากข้าณาวิถีประเภทที่สองไหม ประเภทที่สมเหมือนกับตีตากข้าวิถีประเภทที่สามไหมเหมือนไม่เหมือนประเภทที่สี่เหมือนกันกับตีตากข้าววิถีประเภทที่สี่ไหมเหมือนนะประเภทที่หเหมือนกันกับตีตากข้าวิถีประเภทที่ห้าไหเหมือนไม่เหมือนเหมือนอะต่อไปดูอัดทักข้าววิถีอัดทักข้าววิถีในอัดทักข้าววิถีประเภทที่หนึ่งเหมือนกันกับอตีตากข้าวิถีประเภทที่หนึ่งไหมเหมือนไม่เหมือน ประเภทที่หนึ่งเป็นปัญจาโวโกาลาพวางังสิบห้าเนอะเห็น<ม>เนี่ยใช่ไหมปัญจโวโกาลาพวังสิบห้านั่นแหละจะคล้ายๆกันหนึ่งแต่ไปเหมือนเลยทีเดียวก็ไม่ได้อันนี้ได้กามมาชาวนะเท่าไหร่กามมาวนะยี่บหกเว้นโทสะกับเว้นหสิทำไมหัสิตุปาถ้าจิตไม่เกิดวิธีนี้รับอะไรเป็นอารมณ์รับอัฏถบัญญัตในยมต๋ยในในหน้าสิบสิบแปดเนี่ย วิธีอัฏฐคณวิถีสาประเภทเนี่ยประเภทหนึ่งเนี่ยประเภทที่1เนี่ยวิธีนี้รับอัฏฐบัญญตัตเป็นอารมณ์หัสีตุปาทจิตจึงไม่เกิดแต่เกิดในปัญจโวกาละได้ปัญจโวกาละผวังสิบ้านะการมภูมิ11รูปภูมิอีกสิบ้าเวนสัญญาส่วนวิธีประเภทที่สองกาเม้าเบขาผวังหกมโนหนึ่งกามชาวนาย9โทสะเออไม่ใช่โทสะชวนะ เออไม่ใช่การผ่องเป็นโทศาสชาวนาสองแล้วก็ลงการผ่องหวิธีนี้รับอะไรเนี่ยรับอารมณ์ได้กี่ชนิดอารมณ์กี่ชนิดอันนี้อารมณ์ดียิ่งนะเนี่ยว่าไหมอารมณ์ดียิ่งนะเนี่ยแต่ว่าอาคารดุกะผวังไม่เกิดทําไมไม่เกิดเพราะปฏิทนที่ด้วยกามอุเบขาผวังเนี่ยนะดูประเภทที่สประเภทที่สามีอาคารดุกะผวังนี่การมาสมมณัทผ่องสี่ เป็นโทศาสต์ชานะแล้วก็ลงอาคารดุกะพวังห้าห้าเนรู้ทันทีว่าเป็นวิถีอะไรอติวิภูตารลมวิถีอติวิภูตารลมรับรูปารลมที่เป็นอติอิทารูปารลมเนะี่ยชนิดเดียวนามคณ า, าวิถีก็มีเท่าไหร่เนี่ยมีสาสเหมือนกันกันกนกบอัฐคณาไหมเหมือนเลยเหมือนอัฐคณาวิถีเลยในการกําหนดอะไรต่างๆไม่แตกต่างกันเอาต่อไปมาดูสรุป สรุปในหน้าที่19เมื่อกี้ที่อ่านกันไปแต่ท่านุวัติกะมโนทวารวิถีหรืออนุพันธกะมโนทวารวิถีเนี่ยแต่ท่านุวัติกะมโนทวารวิถีเป็นกามชเน้มโนทวารวิถีที่เกิดขึ้นต่อจากปัญจทวารวิถีโดยตรงมี4วิถีอตีตักข้าววิถีสมูหักข้าววิถีอัดทักข้วิถีแล้วก็นามาข้าววิถีอยู่เงินถ้าเกิดต่อจากจากขูทวารวิถีแหะนี่เป็นอย่างนี้คานทวารวิถีชิวหาทวารวิถี กายทวารวิถีวิถีเกิดเป็นลำดับดังนี้ลำดับไหนอตีตักข้าววิถีสมูหักข้าววิถีอัดถคข้าววิถีนามักข้าววิถีถ้าเกิดต่อจากโสตทวารวิถีวิถีก็จะเป็นไปดังนี้ถ้าดูโสตานี่ยอตีตักข้าววิถีสมูหักข้าววิถีนามักข้าววิถีแล้วก็อัดถักขณวิถีเออถ้าเกิดทางโสตทวารวิถีนี่ นา ม, มักขณวิถีเกิดก่อนอัดถักข้วิถีเช่นคำพูดเนี่ยลำดับแรกเวลาเสียงที่พูดใช่ไหมในขณะที่เสียงที่พูดเนี่ยจากขุโสตาทวาริกะอติมหันตารมวิถีเกิดหลังจากนั้นอะไรเกิดต่ออตีตักข้าวิถีใช่ไหมถ้าเสียงนั้นมีหลายพยางค์ขึ้นไปก็เป็นสมูหักขณวิถีแล้วก็เป็นนามมักเลยรู้เลย ในตถานุวัติกรมโนทวารวิถีถ้าเกิดต่อจากทางจักขุทวาริกะอติมานตารมิถีเรียงตามลำดับเลยอตีตากนวิถีสมูหะคณาวิถีอัฐัคณวิถีและก็นามมักคณาวิถีถ้าต่อจากโสตทวารวิถีอ่ะก็อตีตักคณวิถีเกิดก่อนต่อมาคือสมูหะคณาวิถีต่อมาเป็นนามมักเลยนามักคณวิถีเป็นวิถีที่สมเลยเอ๊ะทำไมยังเป็นแบบนี้วิถีทสี่เป็นอัฐักคณาวิถีอ่ะทำไมยังเป็นอย่างนี้รู้ไหม เสียงที่เปล่งพูดเนี่ยเอาอย่างคําว่าอย่างคําว่าหนังสือเล่มหนึ่งคําคเนี้นะไอ้นังสือเล่มหนึ่งเนี่ยพอพูดอย่างนี้ปุ๊บเนี่ยคําพูดนั้นเข้าสู่คล อ, องของโสตทวาริกะอติมันตรมวิถีนะถ้าคําพูดนี้แรงหรือว่าชัดนี้เป็นต้นพอจักขู่ทศโสตทวาริกาอติมันตรมรร ว, วรมรมิถีเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับใช่ไหมรับอะไรรับคําพูดที่บอกว่าหนังสือเล่มนี้ อย่างนี้เป็นคําพูดที่หลายคำเนี่ยคําำนี้หนังสือเล่มนี้นี่คําำนี้คําหลายคํำเยอะพอโสตทวาริกาติมันตรมวิถีเกิดดับต่อมาคืออตีตักข้าววิถีรับอดีตสัทธาลมใช่ไหมก็สลับเงี้นเนี่ยต่อมาคือสมูหักรวบรวมเลยไหรวบรวมคํำอ่ะรวบรวมคําว่าหนังคําว่าสือเล่มนี้ใช่ไหม รวบรวมคําแบบเนี้ยลักษณะอย่างนี้น้อยหรือมากอยู่ที่ว่าคําพูดนั้นน่ะต้องรวบรวมมากแค่ไหนพอบอกหนังสือเล่มนี้เนี่ยคําคำเนี้ยชื่อหรือนามเนี่ยปรากฏก่อนเนี่นามมาคันวิถีจะปรากฏเลยจะปรากฏต่อจากสมูหักทันทีเมือ่อเมื่อบอกว่าหนังสือเล่มนี้เนี่ยพอรู้คําว่าหนังสือเล่มนี้นี่เป็นนามมาคันวิถีต่อมาก็เข้าไปรู้อีกที ไปรู้อัดถัรู้สันฐานของหนังสือว่าเป็นยังไงหนังสืออะไรเนื้อเรื่องเป็นยังไงอย่างนี้เป็นต้นมองออกใช่ไหมลักษณะเช่นนี้เขาเรียกว่าอัดถักคณาวิถีจึงเกิดเป็นวิถีที่เกิดตามนามคณาวิถีถ้าคําพูดพยางคเดียวอะคำคำเดียวเนี่ยสมูหะกเกิดไหมสมูหะคณาวิถีจะเกิดไหมอย่างคําว่าไปหรือคําว่ามาคำคำเดียวเนี่ยต้ยงตัวต้องรวบรวมไหมถ้าหนึ่งคำเนี่ยต้องรวมไหมนี่สมูหะไม่เกิดต้องสองคำขึ้นไป นี่เป็นงนี้ในที่นี้ท่านบอกว่าแสดงภาพตตทนุวัติกามโนทวารวิถีที่เกิดต่อจากปัญ จ, ท จ, ทจัทวารวิถีโดยจักรคูทวาริกจักรคูทวารวิถีขึ้นแสดงเป็นตัวอย่างนะนี่ท่านแสดงเป็นตัวอย่างอย่างนี้ลําดับแรกก็คือว่าปัจจุบันรูปอารมณ์เนี่ยนะในปัญจัทวารวิถีเนี่ยอติมหันตารมวิถีแตทารมณาวาละอติมหันตารมวิถีตทารมนาวาลานี่นะเวลาเกิดขึ้นมาแล้ว ดับในวิถีนี้รับอารมณ์สามชนิดอติอิทธะรูปอารม์อิทธามัจฉาตะรูปอารม์แล้วก็อนิธะรูปอารมณ์เนรูปอารมณ์สามชนิดต่อจากจากขุทวาริกะอติมันตรมวิถีแตทารมณ์นาดับลงแล้วเนี่ยอะไรเกิดต่อวิธีไหนวิธีอะไรเกิดต่อฮะ ว, วิธีอะไรเนี่ยในหน้าที่สิบเก้าเนี่ยวิธีอะไรฮะยามเสลี่วิธีอะไรโอ้เพนเดแล้วเพนเดล่ามาริเชตวิธีไหน เ อ, อ่ออติตักข้าณาวิถีพออตีตักข้าณวิถีเกิดต่อจากจากขุทวาริกาติมหันตระมิถีแล้วก็สมูหะข้าณวิถีด้วยก็แปลว่าเหมือนกันนั่นแหละใช่ไหมเหมือนกันนั่นเองแล้วก็มาแหละอัตถากนามัารับอัฏฐบัญญัติกับนามะบัญญัติเหมือนกันไหมเหมือนกันโทสะเว้นออกไปหาสิเว้นออกไ ป, อ, อ, กไปอัตถากนามะัะใส่กามมะวังก อ, อไม่ใช่ ในที่สองนี้ใส่รูปผวังห้าแล้วก็การมาผวังสิบนะเป็นสิบห้านวิธีนี้ใส่สิบส่วนสองอติมหมันตารมวิถีตทาธรรมนาวาละที่มีอารมณ์เป็นอิทถามชตะหรืออ น, นิธารูปอารมณ์อันนี้เป็นกามาผวังสิบเนะโทวสาชาวนะตะทาอุเบขาตทาธรรมนาหกพอรับอารมณ์สองชนิดนี้มา ย, ามย้ำเบียงเดิมนะย้ำของเดิมนะแล้วก็ อติตักค้าวิถีกับสมูหักข้าวิถีก็ต้องเป็นการมัพวังสิบมโนหนึ่งการมโทศาสโชนะสองตถารำมะห6หคือเวคขาสองกับหมาวิบากเวคขาสี่รับอารมณ์กี่ชนิดอตออิอิธามัชาตากับกับอะไรหรืออนิทะรูปารมณ์แล้วก็ไปไหนเนี่ยตรงนี้เราไป คือเข้าใจอะไรตรงนี้นนะให้มองตรงนั้นว่ากามะผะวังสิบคือเบขาสองกับมหาวิบากแปดใช่ไหมในสิบเนี่ยเวลามาเป็นอัฏฐคาณาวิถีกัมนามมรคนี่เป็นกามะอุเบขาผะวังหกนั่นหนึ่งวิถีใช่ไหมแล้วมาแยกออกเป็นกามะสมนัสอีกสี่ที่เหลือไงผะวังที่เหลือใช่ไหมก็มาเป็นวิถีนี้เป็นโทสายโชนาเหมือนกัน ที่จริงที่จริงที่การเม้เบขาปวังหกเนี่ยเอา้ามันดิดมาหลายครั้งเลยนี่นะ เ, เกิดขึ้นในลักษณะว่าในสายของอติมหันตารมวิถีตถาธรรมนาวาระเนี่ยในวิถีที่สองเนี่ยที่อารมณ์สองชนิดเนี่ยนะอารมณ์สองชนิดที่เป็นอิถามชตาหรืออนิจถาเนี่ยพออติตาคณาวิถีสมูหะคณาวิถีที่เกิดต่ออารมณ์งั้นก็ยังจัดเป็นสองชนิดอยู่ แต่พอมาเป็นนามมักอัฐถักนวิถีกับนามมักนวิถีเนี่ยน ะ, ะถ้าหากว่าไม่มีอาคารตุกัดพวังไอ้ชานะที่ไม่มีอาคารตุกัดพวังเนี่ยอันนี้เป็นอารมณ์อารมณ์สองชนิดอยู่แต่ถ้าหากเป็นชาวนาที่มีอาคารตุกัดพวังเนี่ยอารมณ์เหลือกี่ชนิดรูปอารมณ์นั้นเหลือชนิดเดียวมอแม่มาเช่น ไม่ใช่ที่มีอาคารถุกกับพวังนะอารมณ์จะไปสองชนิดได้ไงล่ะรูปารมณ์ที่เป็นอติอิทธะเข้าใจเข้าใจเข้าใจเข้าใจเรียนเข้าใจว่าที่มันมีอาคารถุกกับไม่มีเป็นเพราะว่าตรงตรงอันช่องที่สองนี้เขามีเจตนาเขไม่มีเจตนาพุ๊ก็ต้องมาดูว่าเขาจะเกิดจากมูลพวังไหนอเดี๋ยวไปเน้นที่อย่าไปเข้าใจงั้นเลยอารมณ์เขต้องใช้ อารมณ์สองจะไม่มีอาการตุกาฟังได้ยงไงเนาะถ้าหากว่ามันเป็นอ้าวอว่าไปว่าไปว่าไปว่าไปแล้วทำไมอันนี้เราถึงเออไม่ต้างไปทำไมหรอกอารมณ์ได้ช น, นิดเดียวได้สภาวะเดียวคืออติอิฐธารู้บารมแล้วทำไมเขาเขาไล่เขาไล่มาแต่เดิมทำไมเขาไม่ไปเขิยนใหม่เขาไม่ต้องไปเขียนใหม่หรอกแต่ก็ให้รู้ไงว่าอารมณ์เนี่ยอารมณ์เนี่ยมันดียิ่ง ถึงเขาไม่ไล่มาเนี่ย<ม>ก็ให้เข้าใจเถอะออกออกไหมนะถ้าหากว่าอารมณ์นี่นะอ๋อขอโทษทีตรงนี้หนะึ่งแม่เดี๋ยวจะไปทำให้โยมสุรีไหว้ฝยเออเออเอเ อ, เ, อเข้าใจเข้าใ จ, อ า, ใจอาคารทุกับวาง ม, มีเท่าไหร่มีเท่าไหร่มีหกนี่หมายถึงวิภูตารมหรืออติภูตารม วิภูตารมจริงๆด้วยรับอารมณ์ได้หลายชนิดเนี่ยก็ตีได้หลายชนิดอาคารตุกตาฟังเกิดได้ขอให้บุคคลนั้นปฏิบัติด้วยโดยการมัสมานักกัแล้วกันอาคารตุกตาผู้ฟังเกิดได้เอตรงนี้ดีแล้วถ้าหากเป็นอติวิภูตารมจะเกิดได้ไหมจะเกิดต่อจากสายอารมณ์สองได้ไหมอาคารตุกตาผู้ังจะได้หรือไม่ได้ยมสุรีได้หรือไม่ได้ไม่ได้เห็นไหมในที่นี้ที่ได้เพราะเป็นวิภูตารม ถ้าเป็นอติวิภูตารมนั้นน่ะรูปารมณ์จะต้องเอออารมณ์นั้นจะต้องเป็นอติอิทธารูปอารมณ์หรืออติวิภูตารมในที่นี้ต้องเป็นอติวิภูตารมรูปอารม์นั้นเนื้อต้องเป็นอติวิภูตารมเนื้นอทำไมจํากัดอย่างงาั้นถ้าหากอารมณ์เป็นอย่างอื่นเช่นอารมณ์เป็นอิถามชตะหรืออนิธาก็าไม่จําเป็นเนีย่ยการตุกะผวังจะต้องมาอ่อไหมไม่จําเป็นต้องมีอาคารตุกะผวังแล้วเพราะบุคคลนั้น การรับอารมณ์นั้นไม่ได้จำกัดแล้วไม่เหมือนกันกับวิภูตารม์เนะใจใจรีมคิดว่าช่องอคาวิถีกับนมาาวิถีเนี่ยเขาใช้อคบรัตินมาบแต้องเน่อวถอ๋อแต่ในที่นี้มันเป็นเช่นนั้นแหละฉะนั้นเขาจึงจำกัดอารมณ์ไว้อย่างนั้นน่นแหละแต่แท้จริงคือตถาลาภน้นไม่เกิดอยู่แล้วใช่ไหมตถาลาภน้ำไม่เกิดอยู่แล้วเนี่ยจริงๆคื อ, อยังไงแต่ว่าจริงๆเิงโดยในญ่าใน ย, าย่นยาอธิบายอ่ะ ในยะการทำความเข้าใจต้องต้องเป็นเช่นนะั้นมองมอ ง, ม อ, งออกมาอย่างเงี้ยคือกลับมาโยงว่าวิ่ีเนี้ยที่โยงว่าคําว่ามีคุณสุกัดนี่มีเนี่ยเกี่ยวกับตรงตถาตรงนี้มากกว่าแต่ว่าไม่ได้โยงถึงว่าอารมณ์เพราะว่าในทิ่สีของอัตถากนามมรุเนี่ยเขาใช้อัตถบัญญัติกนามบรรยายนแต่ทารมนะก็ไม่เกิดอยู่แล้วแต่จริงๆแล้ ว, นะวออมมเนี้ยเชื่อมโยงอารมณ์เนี้ย ให้สังเกตดูที่ว่าทำไมไม่ใส่อาคารดุ ก, วกวับวังห้าไม่ใช่อติวิภูตารมวิถี <S <S <an> <sunset> เป็นวิภูตารมวิถีในสูตรของวิภูตารมวิถีกับมหันตารมวิถีใช้สูตรเดียวกันในการหาอาการตุกับวังอารมณ์ไม่จํากัดอารมณ์สามชนิดเป็นปัจจัยเกิดอาการดุกับวังได้แต่ถ้าหากอติวิภูตารมแล้วใช้สูตรเดียวกันกับอติมหันตารมอารมณ์นั้นจะต้องเป็นอติอิทธา ห, หรืออติภูตารมเนี่ย ถ้าวิภูตารมมเขาไม่ได้จำกัดอาคารดุกระรวัง เ, เขาไม่ได้จํากัดนี่วิภูตารมวิถีเนี่ยไม่ได้จํากัดว่าอารมณ์จะเป็นสภาวะอติอิทธาอิทธามชะตะหรืออนิถะไม่ไม่ได้จํากัดอารมณ์เช่นนั้นก็ศึกษาตามสูตรไปนียส่วนปฐมมหันตารมวิถีจริงๆตรงนี้แหละที่ท่านเชื่อมโยงลงมาข้างล่างเนี่ย หมายถึงเกินเกิดต่อจากมหันตารมวิถีนะไอ้ขี้คำว่าอาคารตุกาพวังหกเนี่ยใช่ไหมจะเกิดต่อจากมหันตารมนะแต่ว่าจริงๆในที่นี้เห็นไหมที่ท่านเชื่อมโยงมาตรงเนี้ก็ให้เข้าใจว่าปฐมมหันตารมวิถีทุติยามหันตารมวิถีที่มีอารมณ์สามชนิดเยทางนี้ชัดเลยเนี่ยชาวนาไม่มีอาคารตุกาพวังเนี่ยเกิดต่อที่เป็นอตีตัคขนวิถีกับสมูหะขนวิถี การมชหน้าเท่าไหร่ยี่สิบเจดเว้นโทสาสองเป็นรูปผวังห้าแล้วก็การ ม, มาผวังสิบนีไหมพอมานามอัถฐะข้ณวิถีกับนามะข้าณวิถีเนี่ยไอที่เป็นตรงนี้เป็นอะไรเป็นอะไรเนี่ยเป็นอาคารตุกับผวังเลยการ ม, มาสมมนัทภวังแต่พอในวิถีที่สองที่เขากล่าวไว้เนี่ยไม่มีการ ม, มาสมมนัทเนะ่ยเป็นการกล่าวรวมเพราะกล่าวรวมอย่างนี้แยกทันทีเลยไหมชี้ขึ้นข้างบนด้วยรูปผวังห้าไปอยู่นูน้นเห็นนะมาแล้วใช่ไหมเหนนะ การประวังสิบเนจริงจริแล้วมันเชื่อมไปต่อตรงนู้นโดยสูตรของเขาจากนี้ไปนู้นว่างานในสูตรของเขาเพราะตรงนี้เป็นรูปปวังห้าการประวังสิบเนี่ยจึ ง, จงไปเป็นอตีตักข้าณาวิถีกับนามขกาณาวิถีที่เป็นชาวนาวัละไม่มีอาการุกัป ร, ว, รวังการมชาชาวนะยี่สิเว้นโทสะสองเว้นห้าสิเอาในขณะที่เป็นอตีตักข้าณาวิถีกับสมูห่าข้าณาวิถียังไม่ได้เว้นนะไม่เวน้นไม่เว้นห้าสิเพราะยังมีปรามาสเป็นอารมณ์ได้อยู่ แต่พะมันมีอัฏฐบัญญัตินามะบัญญัติเป็นอารมณ์เว้นหัสิตุปาถ้าจิตออกไปโทษสารนั้นเว้นโดยประเภทของเขาอยู่แล้วเขามองเห็น้วยเนี่ยเห็นยากกันนนะ่ะเห็นยากเหมือนกันนี่เป็นเช่นนี้นะเป็นเช่นนี้มีใครสงสัยอะไรไ้ยหรือบางคนบอกแม่มาเชื่อมโยงอย่างนี้เลยทำให้งงใครคิดอย่างนั้นมัน้งไม่ไม่งงนะฮะ จริงๆเป็นเป็นเป็นการสรุปนั่นเองเป็นการสรุปเป็นการกล่าวสรุปเป็นการกล่าวสรุปรวมแต่สรุปไปสรุปมาบางคนบอกให้งงเลยรวมกันเลยเดให้งงหลอกดูที่เป็นเลยในหน้าที่ห้าเออห้าสิบเก้าเนี่ยมโนทวารวิถีหมายความว่าการเกิดขึ้นโดยลําดับติดต่อกันเป็นแถวของจิตเจอรศิษ์ทางใจมีห้าสิบสองวิธีกามชเนมโนทวารวิถี 45อัปบปนาชาวนะสัจเจตกามชาวนะมโนทวารลวิถีเนี่ยเป็นมโนทวารที่เกิดที่มีกามชวนะจิตเป็นประธาน45คือตถาตถานืวัติกามมโนทวารลวิถีหรืออนุพันธกะมโนทวารวิถี4วิถีที่เรากําลังเรียนกันอยู่นี่นะใน4วิถีนั่นคือหนึ่งอตีตักขณวิถีเป็นวิถีที่ทําหน้าที่รับอติวิภูตาวิภูตะปัญจารมณ์ที่เป็นอดีต เออมองไหมเป็นวิถีที่ทําหน้าที่รับอติวิภูตาเอาวิภูตะปัญจารม์ที่เป็นอดีตปัญจารมพอมาปรากฏทางมนโนทวานนั้นถ้าปัญจารม์นั้นมาจากสายอติมหันตารมวิถีปัญจารมนั้นเลยเรียกว่าอติวิภูตะปัญจารมที่เป็นอดีตคืออดีตปัญจารม์ที่ปรากฏชัดทางใจมากในทางใจหรือวิภูตะปัญจารม์ที่เป็นอดีต คืออดีตปัญจารมที่ปรากฏชัดในทางใจที่เกิดขึ้นต่อจากปัญจทวารณวิถีมันแล้วว่าจะแล้วแต่ว่าจะรับอารมณ์อะไรใช่ไหมรับอารมณ์ประเภทแรงมาก็แรงต่อประเภทนั้นน่ะชัดมาก็ชัดต่อเงี้ย น, น่ะส่วนสมูหักข้วิถีเป็นวิถีที่ทําหน้าที่รวบรวมทุกๆส่วนของอติวิภูตะปัญจารมณที่เป็นอดีตถ้าใช้ศัพท์นี้เนี่ยพูดแล้วเข้าใจไหมเนี่ยอติวิภูตะปัญจารมที่เป็นอดีต หรือวิภูตะปัญจารมที่เป็นอดีตไม่ใช่อารมณ์หเนะืในที่นี้เนะี่ยอติวิภูตะอารมณ์ไม่ใช่อารมณ์6แต่เป็นอติวิภูตะปัญจารมหรือวิภูตะปัญจารม์ที่เป็นอดีตที่เคยเกิดขึ้นต่อต่อจากอาติตะคะนวิถีนี่เป็นสมูหะเขามีอนะไรที่รวบรวมอย่างเดียวตรงนี้โดยโดยโสต ร, ตรงนี้ก็คือต้องจําเลยใช่ไหมเนี่ยทําความเข้าใจกันแล้วกันส่วนอักถอกถกักในที่นี้เตียียมตัวดูด้วยที่สามเนี่ย เป็นวิถีที่มีหน้าที่รับรูปร่างสันฐานซึ่งเป็นที่ตั้งของปัญจารม์เนี่ยเป็นอัฏฐาบัญญัติที่เกิดขึ้นต่อจากสโมหะคณนาวิถีประการที่สี่ก็คือว่านามมคณนาวิถีในนามมัคาาวิถีเป็นวิถีที่ทําหน้าที่รับชื่อของรูปร่างสันฐานนั้นๆว่ารูปร่างสันฐานเนี่ยนั้นมีชื่อเรียกว่าอะไรอย่างย่อตัวอย่างนี้เขาเรียกว่าอะไรเขาเรียกว่าอะไรเนี่ยกล่องอะไรกล่องเทพเนี่ไหมกล่องเทพเนี่ย การที่รู้ว่ากล่องเทพนี่เป็นนามะคณาวิถีเห็นสันฐานเข้าใจสันฐานของกล่องเทพเป็นอั ฐ, ฐาคณวิถีมี่เปนนี้ก็ชาวโลกเขาเรียกอะไรกันก็รู้ไปตามนั้นนี่เป็นนามะคณาวิธีตามสมควรแก่บัญญัติหรือชื่อต่างๆเอางี้ถ้าคนดูแล้วอย่างเด็กเนี่ยเด็กเกิดใหม่ๆดูเนี่ยอย่างนี้นามะเขาเกิดไหมนามะคณาวิธีของเด็กๆเนี่ย ที่เขาเพิ่งเกิดใหม่ก็ เ, เพิ่งไม่มีใครบอกให้เลยว่ามีชื่อว่าอะไร <Yeah. S 1> เกิดไหมยอย่างนี้น้ำมากขนะวิถีไหม่หรอกเพราะเขาไม่รู้บัญญัติทางโลกบัญญัติชาวโล ก, ญญโลกเห็นไหมเนี่ยญญเห็นไหมว่าน้ำเนี่ยน้ำมากขนะวิถีจะเกิดขึ้นหรือไม่เกิดก็อยู่ตรงว่าท่านผู้นั้นรู้ข้อบัญญัติของชาวโลกที่เขาใช้กันไหม ย, ยิงต่างชาติกันแล้วหมดสิทธิ์เลยใช่ไหมบางทีไม่รู้เรื่องหรอกเรียกชื่อคนละอย่าง ก็นามะของเขาก็ไม่เกิดบางทีเราพูดกับเขาเนี่ยเขาไม่เข้าใจอย่างเงี้ยนามะ ก, ก็ไม่เกิดบางทีอัดทักเกินนะพยายามบอกรูปล่างสืนสานบอกเลยเนี่ยเขาก็เข้าใจแค่อัดถักคณวิธีแต่นามะคณะวิธีไม่เกิดมองเห็นใช่ไหมเนี่ยเป็นอย่างไงแต่ทานในวัติกมโมทนวิถีสี่วิ ธ, วธีนั่นว่าโดยประเภทมีเท่าไหร่สิบหกประเภทว่าโดยเนี่ยที่ในเนี้ยเขามาแยกเป็นห้าเนี่ยแต่ในหลักเนี่ยมันมันสิบหกประเภท เปสิบหกพอดีเนะีอืมเดีอลองดูทีครบไหมอะ่ะอตีตาข้านาวิถีห้าประเภทสมูหะข้านาวิถีอีกห้าเป็นสิบแล้วก็อัฐถา้าหน้าวิถีอีกสามนามมักอีกสามอัดรวมเป็นสิบหกประเภทนะนี่ให้เข้าใจในสิบหกประเภทก็เลยมารวมอยู่ในหน้าที่ส <c oughs> ิบ <c oughs> เก้าเลยหมแท้จริงเรียนมาแล้วก็ <c oughs> ามารวมกันตรงนี้ไว้ ก็งงก็ว่าเั้นดูแล้วงงเลยทีนี้เวลามาแยกตามที่เขาแยกเขาไว้เนี่ยอตีตากขณาวิถีที่เป็นแตทารามนาที่มีการประชานายี่สิบเจ็ดเว้นโทส่าชาวนาสองลองดูทีลองดูทีตรงไหมในเพศแรกอ่ะตรงไหมเว้นโทส่าชาวนาสองอ่ะทําไมไม่ตรงไช่ไหมตรงอ่ะตธิตากขณาวิถีอ่ะอตีตากขณาวิถีที่เป็นแตทารามนาวาระที่เป็นโทส่าชาวนาสองอ่ะ เห็นไหมที่2อ่ะอตีตักเห็นแล้วใช่ไหมอทิสามอตีตักคณวิถีที่เป็นชาวนาวระไม่มีอาการตกับผวังที่เป็นกางเชาวนายีบเว้นโทศาชาวนาสที่เกิดในรูปรภูมิ15เว้นอสัญญาสตภูมิซึ่งเป็นวิถีที่เกิดขึ้นต่อจากอาติมหันตารมวิถีหรือมหันตารมวิถีทั้งสองเนี่ยแต่ถ้าเป็นวิถีที่เกิดในการภูมิสเิเอ็ดต้องเป็นวิถีที่เกิดขึ้นต่อจากมาหันตารมวิถีอย่างเดียวเท่านั้นจึงจะเป็นชาวนาวราไม่มีอากาตุกับผววัง และไม่เป็นแต่ธาธรรมนัวาละมองเห็นไหมไอ้ตรงนี้เห็นไหมเนี่ยเพศที่สามเนี่ยรือไม่เห็ น, เ ห, นเห็นไม่เห็นเห็นไปเพทที่สามไหมเอาลองดูว่าตีตขาข้วิถีเพศที่สามดิอัติตขาข้วิถีเพศที่สามอะ่ะอันนี้ถ้าดูไม่เข้าใจดูหน้าที่สิบเอ็ดหรือหน้าที่สิบเจ็ดเนี่ยดูเพศที่สามเห็นไหมรูปผวังกับกามว่าผวังสิบกากามเช้าหนะายี่เจ็ดเว้นโทษา ส, าสองเนี่ยนั่นแหละท่านบอกว่าไงที่เกิดในรู ป, ปภูมิ สิห้าเวณสัญญาซึ่งวิถีที่เกิดต่อจากอติมหันตารมวิถีหรือมหันตารมวิถีทั้งสองแต่ถ้าเกิดถ้าเป็นวิถีที่เกิดในการภูมสืบเอต้องเป็นวิถีที่เกิดขึ้นต่อจากมหันตารมวิถีอย่างเดียวเท่านั้นจึงจะเป็นชาวนาวาะละไม่มีอาการุกะผวาหวังได้ เ, เพราะอะไรละ่ะถ้าหากเกิดต่อจากอติมหันตารม์วิถีต้องเป็นแต่ทานเราน่าวาะละใช่ไหมเพราะในที่นี้เขาเน้นวะละอะไรเน้นชาวนาวาละ มหาธุชิตลองตั้งวิถีที่เป็นต่อจากจักขคูทวาริกะอติมหันตารมวิถีดูทีถ้าต่อมาป้อมมันจะเป็นอติวิภูตารมวิถีถ้าอาติภูตารมวิถีเป็นไงแต่ทาราหน้าต้องมาไหมเนี่ยใส่ไม่ได้เวทียายสามเนี่ยจึงเอาเฉพาะเกิดต่อจากมหันตารมวิถีซึ่งเป็นวิภูตารมวิถีเท่านั้นใช่ไหมต้องมองอเห็นตรงเนี้ยต้องมองเห็นตรงนั้นต้องเป็นภูตารมวิถีเท่านั้น เพราะถ้าเป็นอติมหันตารมวิถีนี่ตาธามาอีกแล้วตาธาลำหน้ามาอีกแล้วใช่ไหมตาธาลำหน้ามาถ้าตาธาลำหน้ามาไม่ได้สิทําไมไม่ได้เพราะในนี้เขาเน้นประเภทที่สามเน้นชวนาวาระอืใช่ถ้าหากว่าเป็นอติวิภูตารมวิถีมาเป็นอีกประเภทหนึ่งไปเลยส่วนประเภทที่สี่อติตคะนาวิถีที่เป็นชาวนาวาระไม่มีอาการดุกะวงังที่เป็นโทสาชาวนาที่เกิดในกามภูมสิบเอ็ดเนี่ยท่านเน้นบอกเป็นชาวนาวาระด้วย ก็ต้องเป็นกามอุเบกขาผวังม ah. <6 S 1> ีแหล่หนี่เลยอารมณ์เป็นยังไงเนี่ยอารมณ์กี่ชนิดเนี่ยอารมณ์กี่ชนิดนาะอารมณ์กี่ชนิดดิไม่มีอาัาตุ ก, กาไม่มีอารมณ์กี่ชนิดอารมณ์เป็นอติเป็นอัติเป็นอติวิภูตารมณ์ถ้าเป็นอติวิภูตารมวิถีนะอ่ะทำไมล่ะปฏิสนธิด้วยอุเบกขาใช่ไหมอมุดูสมุหขานาวิถีต่อ สมูหะค้าณวิถีมีกี่เพศเนี่ยแตทารมนาวาระอืที่เป็นการไปชาวนาเจ็ดเว้นตัวศสอสมูหะข้าวิถีที่เป็นแตทารมนาที่เป็นโทศาชาวนาสองแปดก็คือสมูหะค้าณวิถีที่เป็นชาวนาวาระไม่มีอาคันตะกวังที่เป็นการไปชาวนายีบเจ็เว้นตัวศาชาวนาสองที่เกิดในรูปภูมิสิบห้าเว้นอสัญญาสัตตภูมิซึ่งเป็นวิถีที่เกิดขึ้นต่อจากอติมหันตรมวิถีหรือมหันตรมวิถีได้ทั้งสองแต่ถ้าเป็นวิถีที่เกิดใน กามภูมิสิบเอ็ดต้องเป็นวิถีที่เกิดขึ้นต่อจากมหันตารมวิถีอย่างเดียวเท่านั้นเหมือนกันกันกบอตีตัคณาวิถีก้าคือสมูหะคณาวิถีที่เป็นชาวนาวารามีอาการุกรวางที่เป็นโทสะาชาวนาสองที่เกิดในกามาภูมิเออตรงนี้ต้องต้องอย่างนี้เวลาเวลาพูดเร็วๆอย่างนี้มันนึ ก, ไ ม, นกไม่ออกนึกภาพไม่ออกอเนี้ยออกไหมไม่ออกใช่ไหมเอาดูสมูหะคณาวิถี ป, ประเภทที่หนึ่งหน้าที่สิบเจ็ดเนี่ย กามชานะยีิบเจ็ดเว้นโทสะสองเห็นไ้มเห็นไห ม, ห น, ไ ห, มหน้าที่สิบเจ็ดในแผ่นชีตเนี่ยดูตามที่ดูตามหน่อยพอประเภทที่สองเป็นโทสะโชนะแต่ฐ า, รานรันะเป็นอุเบกขานี่ก็เห็นได้นะเอาประเภทที่สองนี่มีมีอาการดุกระวังไหมมีไม่มีไม่มีนะเอาประเภทที่สามเป็นอะไรชานะวราระเป็นเป็นชานะอะไรโทกาเมชานะยีิบเจ็ดเว้นโทสะใช่ไหม ในนี้เป็นอะไรเป็นประเภทที่เกิดในครูปภูมิสิบห้าเวนสันที่เป็นวิธีที่เกิดต่อจากมหันตารมวิธีหรือมหันตารมวิถีแต่ถ้าเป็นวิธีที่เกิดในการภูมิสิบเอ็ดนี่เกิดต่อจากอะไรเกิดต่อจากมหันตารมนะก็ไม่ต่างกันใช่ไหมยังรีตามดันใช่ไหมตรงเนี้ยส่วนประเภทที่เท่าไหร่ประเภทที่สามนี่ตอนนี้ประเภทที่สามต่อไปประเภทที่สี่หละเป็นโทศาสชวนะไม่มีอาคารตุกับผ้าวาง เกิดในกามภูมิธมมหาคณาวิธีน่นตามมาอุเบขาผวัง6ถ้าประเภทที่5สุดท้ายนี่เป็นอะไรเนี่ยเป็นมีอาการตุกตาผวงที่มีโทสะชาวนา2ที่เกิดในการมสุกติภูมิ7ปฏิทนที่โดยเบกขาเออปฏิทนที่โดยสมนัต น, นี่นะมองเห็นใช่ไหมแล้วก็มาอะไรเนี่ยอัตถะคณาวิถีอีก3ประเภทในเนี่ยอัตถคณาวิถีที่เป็นชาวนาแล้วไม่มีอาการตุกตาังที่เป็นการไปชาวในยี่หเว้นโทสะเว้นหสิที่เกิดในปัญจโวการภูมิ ยี่สิบหกนี่เป็นอย่างนี้เกิดในปัญยุวกาภูมิยี่หกแล้วก็อัฐคณาวิถีที่เป็นชนาวนาเวลาไม่มีอคารตุกาพวังที่เป็นโทสะชาวนาสองที่เกิดในกามภูมิสิบเอ็ดแล้วก็อัฐคณาวิถีที่เป็นชาวนาเวลามีอาคารตุกาพวังที่เป็นโทสะชาวนาสองที่เกิดในการมสุกติภูมิเจ็ดรวมเป็นอัฐขกสามประเภทนา ม, มากนักคมีกี่ประเภทนามักคณาวิธีสามประเภทอีกเหมือนกันก็ตามลําดับอย่างนี้นี่เป็นงี้พอมาตรงนี้ท่านมาสรุปเลยในปันทว ตถาทนวัติกาลนี่ที่นี้ในภาพวิถีที่เขาเขานั่นมาให้เนี่ยแล้วก็การกําหนดอะไรต่างๆเหล่าเนี่ยนี่จะไม่ยากเลยในการกําหนดนะที่ว่ามาตามลําดับเนี่ยท่านกาหนดไว้ตามลําดับเปิดมาตามลําดับในใ น, ในจุดจุดนี้ก็เป็นการดูอัตติตักสมูหักอัตถักแล้วก็นามมาคณาวิถีมีมากเลยนะเขาแยกก็แยอะเลยนะเนี่นยอะไรก็ก็แยกไปตาม ล, ลักษณะเช่นเลยทีนี้เดี๋ยว เดี๋ยวไปแยกตามลำดับดูนิดนึดน่งที่จริงที่จริงในนี้ไม่ต้องดูก็ได้นะเนี่ยในหลักสูตรเนีน่ยมองมองตรงนี้แล้วเข้าใจหมดแล้วมองตรงนี้เข้าใจหมดมองในชีดนี่ก็เข้าใจแล้วสามารถที่จะกําหนดอะไรต่างๆนี้ได้หมดเล ย, เยถ้าสมมุติให้พวกเราไปกําหนดกันนี่มันจะลําบากใจไหมเนี่ย <S <S ให้ไปคิดให้ไปกําหนดอย่างน <S <S <ม>คนหนังสือถ้าแบบให้กําหนดแบบไม่ต้องคน้นขึ้นบนกระดานแล้วให้กําหนดพบกําหนดภูมิกําหนดอะไรเล ย, เยคิดว่าลาบากไหม ก็บอกลำบากเลยว่างนั้นนี่ค่อยๆ ค, คิดไปก็ อ, อย่างนี้ถ้ า, าถ้าเปิดเปิดไปอีกหน้ามาหน้าที่ยี่สิบของชีดเนี่ยเนี่ยอติมหันตารวิถีชาวนาวระไม่มีอาคารตุกัดวังที่เป็นโทษาชนนะกาม อ, เาอางเบกขาผวังหกไม่มีไม่มีเออเป็นชาวนาวระเนี่ยจะต่อได้ด้วยอะไรต่อด้วยวิธีอะไรชาวนาวระไม่มีอาคารตุกัดผวัง กามเวกขาพระวังหกโทศาเชวนะนี้อันนี้เป็นอะไรเนี่ยอตีตาข้านาวิถีกับกับอะไรกับอะไรในหน้าที่ยี่สิบสมูหักานาวิถีใช่ไหมส่วนเชวนะเวลาไม่มีอาคารตุกขาพระวังที่ไปอีกอย่างนี้น่าเป็นอัฐักข้าวิถีกับน้ำมาขานาวิถีก็ก็แยกไว้อย่างนี้เห็นใช่ไหมต่อจากอะไรหน้ายี่สิบต่อจากอะไรเห็นไหมเห็นนะมองมองเห็นหมดอย่างตัวเนี้ยส่วนใน ปฐมมหันตารมวิถีทุติย ม, มหันตารมวิถีอันนี้ก็หมายความว่าชนิดรูปารมสามชนิดเหมือนกันที่เป็นโทส่าชนนะปฏิญญาโ ด, ดยการมอาเบคขาผะวังนี่นะอวิถีที่เกิดต่อก็ต้องเป็นวิภูตารมวิถีไปนะกามอาเบคขาผะวังมโนโทส่าชนนะที่เป็นอตีตากนะกับสมุหาคานาวิถีแต่อีกวิถีหนึ่งก็เป็นนามาคณ น, วออ า, น า, า, คาวิอัตตากานามควิถีก็ก็ ก, ก็ดูตามนี้อันนี้คือเวทีหคือวิถีที่ 5, ออ 5. ส่วนอติมหันตารมวิถีชานวนาวระที่มีอาการดุกะพ ว, วงตังนี้นิสายนิสัยอาการดุกะพ ว, วงเนีถ้าหากที่เป็นอติอิทารูปารมณ์เนี่ยนะในจักขคุทวาริกะอติมหันตารมวิถีชาวนาวรามีอาการดุกะพ ว, วงเป็นโทสาชาวนาอารมณ์ดียิ่งมีอาันรุกะพวงห้าเวลามาเกิด อติตักขณาวิถีกับสมูหักขณะวิถีก็ต้องมีอาคารตุกกับผวังก็มาจากสาย5นะอาคารถูกวังห้าเนืเป็นอติภูตารมวิถีอติภูตารมแต่ถ้าหากมาต่อจากปฐมมหันตารมวิถีหรือทุติยามหันตารมวิถีอ่ะอาคารตุกกับวางทางมหันตารมวิถีก็มี6ใช่ไหมเห็น6แล้วเป็นโทสายชั้นหน้าปฏินที่ิโดยการ ม, มัสมนัติวังสี่พอวิถีที่เกิดต่อเป็นวิภูตารมวิถี กามะสมนัสพวังสี่โทส่าชนะแล้วก็อาคันดุกวังได้หเวขาสองมาวิบ่าวเบขา4มาทำหน้าที่อาคันดุกระวั ง, ว ง, ววาาวงแล้ววิภูตารมนีวิภูตารมได้หถ้าาติภูตารมมีหเห็นก็เกิดต่อจากวิถีอะไร ก, ก็แยกตรงนั้นถึงแม้ไปเป็นอัฐาค้าวิถีหรือนามข้าววิถีก็ยังต้องมีรักษณะการแยก เหมือนกันเหมือนกันเลยว่ามาจากสายไหนมาจากสายมหันตารมที่เป็นอาคารตุกาผู้วางหรือมาสายอาติมหันตารมที่เป็นอ า, อาคารตุกาผู้วางวิธีที่เกิดต่อก็เป็นอติวิภูตารม์หรือวิภูตารมณ์เปนไปตามสภาพของวิธีทางปัญจาเน้น